มีสัตว์ประเภทหนึ่งที่ชอบเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยการเข้าไปอยู่ในร่างกายของสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะแล้วก็เข้าไปแย่งอาหารเราเรียกสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่าเป็นพวกปรสิตนะหรือรว่า p a r a ที่รู้จักกันดีคือพวกพยาธิเนี่ย แต่ที่จริงมันมีอีกหลายชนิดนะตอนหลังนี่เขาพบว่ามันมีความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่แค่ไปเบียดเบียนไปแย่งอาหารของเจ้าบ้านที่มันอาศัยอยู่บางชนิดนี่มันสามารถที่จะบงการให้เจ้าบ้านเนี่ยหรือสัตว์ที่มันอาศัยอยู่นี่มีพฤติกรรมแปลก เราเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าบ้านเองนะีอย่างเช่นมันมีประสิทธิ์ที่ชื่อเรียกว่าอแตนเบียนนะแตนเบียนมันเป็นแมลงเล็กๆมันจะเข้าไปอยู่ในตัวเต่าทองเนะต่าทองนี่ก็เล็กอยู่แล้วนะแต้ว่าแตนเบียนนี่มันเล็กกว่านั้นอีก มันเข้าไปอยู่สักพักพอมันโตขึ้นมันก็ออกมาออกมาทํารังใหม่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เป็นดักแด้ออกมาก็มาทํารังใหม่อยู่ในท้องเอออยู่นอกท้องอยู่หน้าท้องเหมือนนะของตัวเต่าทองแต่การทำเช่นั้นเนี่ยเป็นอันตรายต่อมันเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะมีศัต ร, ตรูนี่มาเล่น ง, งานมันได้ แล้วมันทำยังไงนะมันก็ไปไปบงการหรือไปทำอะไรกับสมองของเต่าทองนะทาให้เต่าทองเนี่ยมันไม่ทาอะไรเลยมันอยู่นิ่งๆแล้วก็ทำหน้าที่คอยปกป้องไม่ให้สัตว์อื่นเนี่ยเช่นนกหรือว่ามแมลงอื่นเนี่ยมาเล่นงานในทำลายลังไยของแตนเบียนได้ แล้วมันก็ปกป้องนั้นนะจนกระทั่งแตมเบียรมันโตขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นแมลงเติบโตแล้วก็บินออกไปเป็นอิสระเสร็จแล้วเต่าทองก็ตายเพราะว่ามันไม่ได้กินอาหารอะไรเลยเต่าทองนี่อุตสาห์ปกป้องนะปกป้องแตมเบียนทั้งที่แตมเบียร์นี่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับมันเลย โทษกับมันได้ซ้ําเพราะไปแย่งอาหารมันที่มันทํางั้นได้เพราะแตนเบียนนี่มันสามารถจะบังคับควบคุมพฤติกรรมของเต่าทองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งรู้นะว่ามันทําได้ขนาดนี้ด้วยนะแต่ว่าที่หนักกว่านั้นก็มีอีกนะ อย่างเช่นมันมีเชื้อจะเรียกว่าเชื้อก็ได้นะมันเป็นจุลชีพนะชื่อพลาสโมดียมมันอยู่ในหนูนะเวลามันเข้าไปอยู่ในหนูเนี่ยนะหนูจะไม่กลัวแมวเลยปกติหนูมันจะมีจะระวังจะกลัวเวลาได้กลิ่นหรือสารบางอย่างจากแมวมันไม่ใช่ได้ยินเสียงมันได้กลิ่นเนี่ยมันก็หนีแล้ว แต่ถ้าเกิพดพลาสโมดียมนี่มันอยู่ในสมองหนูเมื่อไหร่นี่หนูนี่ไม่กลัวแมวเลยนะเพอเพอเดินเข้าไปหาแมวด้วยเหมือนกับว่ามันเป็นบ้างกันนะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะแมวก็กินหนูพอกินหนูเสร็จไอพลาสโมเดียมในหนูเนี่ยก็ไปเติบโตในท้องแมวนั่นแหละคือบ้านของมันพลาสโมดเดียมนี่มัน มันจะเติบโตดีในท้องของแมวแล้วพอโตเต็มวัยมันก็ออกมาทางอุจจาระเสือก็เข้าไปในตัวหนูแล้วมันก็สั่งหนูให้เดินเข้าไปหาแมวแล้วแมวก็กินเป็นวัตจักรแบบนี้แล้วตรงนี้มันมันสามารถที่จะสั่งได้นะบงการหรือว่าควบคุมให้แมวนี่ให้หนูนี่มีพฤติกรรมแปลกๆที่เป็นอันตราย ต่อตัวมันเองเพื่อที่มันจะได้เรียกว่าสืบพันธุ์นะแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์เล็กๆหลายชนิดก็มีนะเช่นพวกจิ้งหรีดพวกตัวออสพวกกบเนี่ยอย่างจิ้งหรีดนี่มันก็มีพยาธิชนิดหนึ่งพยาธเส้นม้าเนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ในตัวจิ้งหรีดแล้วจิ้งหรีดนี่มันก็จะเป็นประเภทไม่กลัวน้ํานะ ปกติจิ้งหลีดเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้น้ําเท่าไหร่มันก็จะบินอยู่เหนือน้ําแต่พอมันเจอไอพิยาชนิดนี้เข้าเนี่ยมันจะไปส่งสัญญาณไปที่สมองของจิ้งหลีดเนี่ยจิ้งหลีดมันก็จะไม่กลัวน้ำเสร็จ แ, แล้วมันก็จะพอไปอยู่ใกล้ๆผิวน้ําก็จมลงไปในน้ํา ตรงนั้นแหละก็จะมีปลาชนิดหนึ่งนะก็คอยกินจิ้งหรีดกินเพื่ออะไรนะเพื่อว่าไอพยาธินั่นเนี่ยมันก็จะได้ไปโตในท้องปลาแล้วก็จะเริ่มแพร่พันธุ์ใหม่ อ, ออกมาจากท้องปลาก็เข้าไปในตัวจิ้งหรีดเป็นวัฏจักรแบบนี้แหละอันนี้ก็ทาให้เขาคนก็ศึกษาไปกพะโอ้พวกปรสิตนี่มันมันฉลาดมากเลยนะมันไม่ใช่แค่ เบ็ดเบียนอาหารแย่งอาหารจากเจ้าของบ้านนี่แต่มันสามารถที่จะบงการเจ้าของบ้านเนี่ยให้มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายกับตัวมันเป็นอันตรายกับเจ้าของบ้านนะแต่ว่าเป็นประโยชน์กับตัวพวกปรสิตหรือพาราไซเหล่านั้นอามนุษย์เหล่านี้โชคดีนะที่ยังไม่พบว่ามันมีพวกปรสิตที่จะมาบงการเรา ให้มีพฤติกรรมแปลกๆให้ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเพื่อประโยชน์ของพาราไซหรือปรสิทธิาา์เพราพกมันมีแต่พวกพยาธิมาเบียดเบียนแย่งอาหารจากเราหรือบางทีก็มีเชื้อบางชนิดนั่นดูมืนจะเป็นมาลาเรียนี่ก็เหมือนกันแลก็เป็นปรสิตได้มันก็กินเลือดทำลายเลือดของคนเรามันก็ทําได้อย่างมากแค่นั้น แต่ว่าเราก็จะสังเกตนะว่าคนเราบ่อยครั้งก็มีพฤติกรรมแปลกๆนะที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเช่นการกินเหล้ากินเหล้าจนเรียกว่าตายนะคาขวดเหล้าก็มีแตทั้งที่เหล้าเนี่ยก็ไม่ได้อร่อยเลยนะทั้งที่เหล้าก็เป็นโทษกับร่างกายของคนเรา m u c มาันไม่ใช่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้นแต่ว่าอย่าง ทำให้เกิดการทะเลาะเบ่อแหว่งมีการทุบตีหรือว่าทําให้คุยใครต่อใครนี่ต้องติดคุติตารางนะเพราะการทะเลาะเบาะแหว้งเพราะความเมาไมา้เพราะขับรถชนคนตายหรือบางทีก็จมอยู่ในอบายามุกนะหมดเนื้อหมดตัวก็ยังไม่ยอมเลิกนะก็ยังไปเอาไปขโมยเงิน ไปขโมยข้าของงคนเนี่ยเอามาเล่นการพ น, นันต้องขายที่ขายทรัพย์สมบัติครนะอบครัวอย่าล้างนะก็ยังไม่เลิกนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองมันไม่ใช่เกิดจากพวก p ร r a s หรือาร a r a s i t นะนะแต่ว่ามันมี ผลรายที่รุนแรงกว่าอ่า น, นี้มันเกิดจากอะไรนะถ้าเราท่านง่ายของชาวพูดเราก็เพราะว่าเกิดจากกิเลสนะกิเลสนี่มันมันไม่ได้บงการสมองเหมือนกับพวกปรสิตทั้งหลายนะแต่ว่ามันไปครอบงำจิตใจของคนเราอันนี้จะว่าหนักกว่าสัตว์ทั้งหลายที่พูดมาก็ได้นะ มันไม่ได้บงการสมองมันไม่ได้หลั่งสารอะไรมาเพื่อที่จะไปทำให้พฤติกรรมของสัตว์มันเปลี่ยนแปลงไปแต่กิเลสที่มันไปทำไปทำงานหรือไปครอบงํำจิตใจคนเราแล้วก็ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆนะที่เป็นโทษกับตัวเองหรือว่าทำร้ายตัวเอง กิเลสมันเข้าไปครอบงําแล้วไปบงการคนเราจกนกระทั่งยอมอยู่ในอนํานาจของมันได้อย่างไรหรือยอมนะทําในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเองได้อย่างไรนะมันก็ทำด้วยการทําให้หลงตัวลืมตนนะอย่างเช่นคนที่พอกินเหล้าแล้วมันก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็นะจะทำอะไรก็ได้จะผิดศีล ข้ออื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ว่าจะเป็นการประพฤติผิดในการาการโกโหกการลักทรัพย์หรือว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะพอหลงตัวแล้วเนี่ยหรือพอลืมตนนะมันก็หมดสภาพนะเวลาติดอบายมุกไม่ว่าจะเป็นเล่าหรือว่าการพ น, นันนะ เราจะเห็นเลยนะว่าคนรานั้นเนี่ยเหมือนก็ว่าเขาถูกผีสิงนะลืมตัวเลยทำอะไรที่ไม่คิดว่าคนธรรมดาจะทำได้นะหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าเสียผู้เสียคนไปก็เพราะว่าให้ความลืมตัวนี่แหละนี่ก็เพราะอำนาจของกิเลส เราจะเรียกว่ากิเลสเ่านี้เป็นมารชนิดหนึ่งก็ได้นะมันมีคำเรียกกิเลสมานไงกิเลสมานเนี่ยคือมารอันได้แก่กิเลสมารเนี่ยมันต้องการครอบงำมนุษย์ให้หลงอยู่ในอยู่ในอนํานาจของมันแม้มันก็จะบงการให้คนเราเนี่ยทําอะไรที่ไม่สามารถจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าได้เช่นรอให้คน ไปกินเหล้ารอยคนติดยาพอกินเหล้าติดยาหรือว่าติดอาบายมุกแล้วนี่มันก็ไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าได้ในการที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะเพียงแค่เอาตัวให้รอดก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยไอ้กิเลสมาเนี่มันมันพยายามที่จะควบคุมวงการคนเราเนี่ยให้อยู่ในอำนาจของมันโดยการทําให้ลืมตัว มันก็พยายามทำอย่างนี้นะกับพระที่พยายามปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์พยายามจะไปล่อลอกพระพุทธเจ้านะหรือว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายสมัยที่ยังไม่บรรลุธรรมแต่ว่ากับคนธรรมดาหรือปุถุชนนี่มันสามารถที่จะล่อลอกใหนะ้ทำในสิ่งที่เลวร้วายได้ โดยวิธีการทําให้ลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วนี่ก็ตกอยู่ในอำนาจของมารตกอยู่ในอำนาจขอกิเลสนะแม้จะทําทอะไรเลวร้ายยังไงนะก็ไม่เฉลียวใจนะวิธีทําให้ลืมตัวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยอาศัยการไม่ได้ใช้อบายมุขอย่างเดียวนะเช่นเล่าหรือว่าการพนันมันมันมีวิธีการต่างๆมากมายที่ทําให้ลืมตัวได้ อันนั้นก็คืออารมณ์นะเช่นความโกรธพูดกันว่าเนไอ้เล่านี่เป็นน้ําเปลี่ยนนิสัยแต่ที่จริงนี่มันมีอย่างอื่นที่เปลี่ยนนิสัยคนได้นะเช่นอารมณ์ความโกรธนี่เป็นเป็นตัวเปลี่ยนนิสัยคนที่น่ากลัวมากเพราะคนเราพอโกรธแล้วเนี่ยอ่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปบางทีคนเรียบร้อยนะกลายเป็นฆาตากรได้ คนที่เงียบเีบางทีก็อาจจะเอะอะโวยวายด่าโคด่าใครต่อใครเพราะความโกรธไม่ได้ทำเพราะความเมาเท่านั้นนะไม่ได้ทําเพราะริดเล่าอย่างเดียวคนที่ไม่กินเล่านะแต่ว่าบางทีก็เปลี่ยนทิศสายได้นะเพราะความโกรธจากคนน่ารักนะกลายเป็นฆาตรกรที่ฆ่าคนอื่นได้คนน่าจะเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเป็นเพื่อนด้วยซ้ํา หลายคนอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นฆาตกรนะแต่ว่าคำพูดคำจานะก็เปลี่ยนไปได้แอนพีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็เป็นคนเป็นวัยรุ่นที่ก็ดูเรียบร้อยน่ารักก็ไม่ถึงกับเป็นวัยรุ่นนะก็อายุสักยี่สิบกว่าแล้วเกือบจะสามสิบแล้วแต่เธอเล่าว่าเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่มีครั้งที่ด่าคนรักเลรุนแรงมากนะ ถึงขั้นที่หาสารพัดสัตว์เลยทั้งที่ไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่เคยด่าแงกับใครมาก่อนแต่ว่าทากับแฟนของตัวเธาก็นึกไม่ถึงว่าตัวเองทำอย่างนั้นได้แต่ที่ทำได้เพราะอะไรเพราะความโกรธให้ความโกรธที่มันทำให้ลืมตัวแล้วพอเผลอทำไปแล้วก็เสียใจพอเสียใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะ จะบรรเทาความทุกข์ได้อย่างไรก็หันไปหาเล่าหันไปหาใบยมุกนะไปกินเหล้าเพื่อย้อมใจเพื่อให้หายโกรธเพื่อให้หายเครียดเพื่อให้หายหายทุกข์และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ อ, อยู่ในหลงอยู่ในกับดักนะวังวนของอบยมุกแล้วก็เสร็จ แ, แล้วก็จมอยู่ในวัดตามความโกรธ เพราะว่าพอไปเกี่ยวข้องอาบายมุขพลเดียมันก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์พอยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดมันก็ยิ่งโกรธนะอันนี้ก็เรียกว่าตกอยู่ในอำนาจของกิเลสสมานด้วยเหมือนกันไอ้กิเลสสมานนี่มันน่ากลัวกับพวกปรสิตหรือปรสัยนะที่พูดถึงมากมายนะเพราะว่ามันบางครั้งนี่มันก็ถึงกับบังคับทําให้คนเหล่านี้ฆ่าตัวตายได้ นะความอารมณ์ต่างๆที่พุ่งพล่านขึ้นมาไม่ใช่แค่ความโกรธแตแต่ความเศร้าเสียใจนะความรู้สึกผิดหวังในตัวความสึกแย่น้อยเนื้อต่ําใจไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่มาเกิดขึ้นมาง่ายๆนะแต่มันก็การที่จิตเรามันปรุงแต่งแบบนั้นได้หรือจมอยู่ในอารมณ์แบบนั้นได้นี่ก็เพราะมันลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วก็เข้าไปหา บปยมุไปหาเหล้าไปหายาแลําก็เลยนะยิ่งปรุงแต่งความคิดและอารมณ์ต่างๆมากมายที่ทำให้ออกมาไม่ได้นะเหมือนกับเป็นตะข่ายนะอย่างที่พูดเมื่อวานเป็นตะข่ายที่ดักเอาไว้นะหรือเป็นหลุมที่ไม่สามารถเชียขึ้นมาได้พออยู่ในอาการแนี้มากๆก็ไม่ไหวข่าตัวตาย หรือไม่ความคิดมันก็สั่งให้ค่าตัวตายก็มีอันนี้ก็ละตกอยู่ในอำนาจบงการของกิเลสสมาร์เหมือนกันนะเพราะคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่หลงแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นธรรมะมีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติธรรมมีโอกาสที่จะได้เข้าถึงธรรมะจกกนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นลำดับซึ่งก็หมายถึงการหลุด จากอำนาจของมารทีละทีละขั้นทีละขั้นไปเรื่อยๆนะแต่มานี่หรือกิเลสมานี่มันไม่อยากให้คนเราพัฒนาไปแบบนั้นมันก็พยายามทําให้หลงนะทาให้จมนะอยู่ในอบายมุกอยู่ในความชั่วร้ายหรือจมอยู่ในอารมณนะ์จนกระทั่งไม่มีทางออกแล้วก็เลยคิดสัน้นหรืออาจจะหนักกว่านั้นนะไปทําร้ายคนอื่นด้วยเนะี่ย ไอ้พวกปรสิตนี่มันยังมากก็ทำลายตัวเจ้าของบ้านนะแต่ว่ากิเลสมารถพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถที่จะพาเราเนี่ยไปทำลายคนอื่นได้บางทีก็ฆ่าลูกของตัวก็มีนะมีข่าวคราวคนที่ฆ่าตัวตายกลุ่มอกกุ่มใจเพราะว่าเป็นนี่เป็นศิลป์เขาอ่อ ไปผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ว่าไม่มีเงินนะไม่มีเงินที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถแทนที่จะเอารถไปขายแทนที่จะขายบ้านนะจะได้หมดปัญหาหวงแหนรถเอาไว้ห่วงแหนบ้านเอาไว้ทะเลาะเบาแหวงกับภรรยานะก็เครียดก็โกรธก็กลุ่มใจไม่รู้ว่า จะหาทางออกอย่างไรนะก็เลยฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายเนี่ยอาฆ่าลูกซะก่อนลูกเล็กๆคนสองคนยกฆ่ า, าทิ้งนะทั้งที่เพียงแค่ขายรถขายบ้านไปนะมันก็พอมีทางออกทางไปแต่นี่หวงแหนรถห่วงแหนบ้านแล้วเลือกที่จะทํำลายชีวิตตัวเองคนเราก็บางครั้งเนี่ยมันก็ คือถ้ามีความรู้เนรู้ตัวเนี่ยก็คงไม่หาทางออกแบบนั้นแต่พอตกอยู่ในอำนาจของกิเลสมีความยึดติดถือบ้านห่วงแหนรถห่วงแหนบ้านก็เลือกที่จะหาทางออกด้วยการทำร้ายตัวเองฆ่าตัวเองแล้วฆ่าคนรักอันนี้เลยว่าเป็นพฤติกรรมแปลกๆนะที่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ทายังทำร้ายคนรักเพราะอะไรนะเพราะความลืมตัวและที่ลืมตัวเพราะความโกรธ ด, ด้วย นะเพราะความความยึดติดถือมั่นในทรัพย์นะอาจจะยึดติดถือมั่นในหน้าตาด้วยเพราะคิดว่าถ้าขายบ้านขายรถมันจะเสียหน้าคนก็จะดูถูกไม่รู้ว่าจะสู้หน้าคนอย่างไรนะให้ความลืมตัวเนี่ยมันทำร้ายคนเรามากแต่ว่ามนุษย์เรานะก็มีมันก็มีสิ่งที่จะคอยปกป้องรักษา นะรักษาใจไม่ให้ลืมตัวได้นะเรามีสตินะเรามีความรู้สึกตัวสติเนี่ยมันช่วยทาให้เกิดความรู้สึกตัวทํให้ให้ลืมตัวได้ยากสัตว์นี่มันจะไม่มีเครื่องป้องกันนะป้องกันไม่ให้พวกประสิประสายนี่มันเข้ามาบงการสมองบงการพฤติกรรมแต่คนเราเนี่ยมีมีจิตใจมีสตินะที่จะช่วยรักษา ใจไม่ให้ไอ้ความหลงตัวมันเข้ามาครอบงาำได้มาเนี่ยมันจะมาเล่นงานเรากิเลนจะเล่นงานเราก็โดยการทําให้ลืมตัวนะแต่ว่าถ้าเรามีสตินะให้ความลืมตัวเกิดขึ้นในยาสติมันทําให้เราเนี่ยนะไม่จมเข้าไปในอารมณ์หรือว่าไม่ไปล่อยให้อารมณ์เนี่ยเข้ามาครอบงามจิตใจ ถนะึงแม้ว่าอารมณ์นั้วเนี่ยไม่ทาให้ลืมตัวแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็หลุดนะเรียกว่าพ้นจากอํานาจของของอารมณ์เหล่านั้นได้แต่คนเราสติสติของตัวเองเนี่ยมันมักจะไม่พอต้องอาศัยคนอื่นมาค่อยช่วยตักช่วยเตือนช่วยเตือนสตินะมี มีผู้ปกครองคนหนึ่งนะแกเป็นแกเป็นทหารวันหนึ่งก็ไปรับลูกขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อมากแล้วก็โรงเรียนแบบนี้เนี่ยเวลาไปรับลูกก็จะมีปัญหาคือรถติดนะเพราะว่ารถเนี่ยนะของพ่อแม่นี่มีเยอะมากนะพ่อแม่แต่ละคนแต่ละคนก็ขับรถไปรับลูกงั้นตอนเย็นนี่รถก็จะติดมาก ลุงเลี้ยงก็กดระเบียบให้ขับรถวันเวซึ่งก็ทําให้แถวมันยาวนายทายคนนี้แกก็ใช้วิธีนะซิกแซกนะแทนที่จะขับรถเข้าทางประตูเข้าก็ขับรถเข้าทางประตูออกประตูออกนี่รถมันก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนกับทางประตูเข้าพอเข้าทางประตูออกก็ สามารถจะไปถึงที่จอดรถได้รวดเร็วก็บังเอิญมีที่จอดรถว่างอยู่ที่หนึ่งก็ไปจอดตรงนั้นแหละปรากฏว่ารถอีกคันหนึ่งซึ่งเขาเข้าทางประตูเขา้าเขาก็ทำตามกฎระเบียบเขาก็หมายหมายมั่นที่จอดรถตรงนั้นแหละแต่ว่าก็โดรถดนรถของนายทางคนนั้นเข้าไปเข้าไปเสียบแล้วจะก็ไม่พอใจเพราะรู้ว่ารถคันนั้นเนี่ย มันทําผิดกฎเขาก็เลยหยุดรถนะลงไปต่อว่านายทหารคนนี้ว่าคุณทํานี้ได้ยังไงนะคุณขับรถเนี่ยมันผิดกฎโรงเรียนก็ต่อว่านายทหารคนนั้นนายทหารนั้นโกรธนะเพราะไม่เคยมีใครต่อว่าแบบนี้อาจจะสูส้ๆตัวเป็นนายทหารผู้ใหญ่ด้วยก็เลยพูดขึ้นมาน่าคุณเป็นใครเอ่อคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใคร ไม่รู้ว่าพูดพูดคำว่าผมหรือพูดว่ากูนะผมเป็นใครหรอกูเป็นใครรู้ไหมผู้ปกครองก็จะบอกผมไม่รู้นะรู้แต่ว่าคุณนะทำผิดกบียบอย่างนี้ใช้ไม่ได้พูดจบก็กลับไปขึ้นรถในาทางนั้นโกรธมากคว้าปืนนะที่อยู่ในรถเนี่ยแล้วก็ลงจากรถเดินตามหลังผู้ปกครองคนนั้นไป หเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอยู่ในสายตาของอพนักงานขับรถของโรงเรียนนั้นพนักงานขับรถคนนี้ก็เป็นคนที่มีปฏิภาณฉับไวแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจมนุษย์พอสมควรนะแล้วก็เป็นพลเมืองดีด้วยก็เดินเข้าไปนะเพื่อที่จะระ ง, งับระ ง, งับเหตุแต่ก็มีหลายคนนะพอไประ ง, งับเหตุแบบไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้วิธีนี่ก็อาจจะทำให้คนที่มีอาวุธนี่โกโรธได้แต่ว่าพนักงานขับรถนี่แกก็มีวิธีนะพอเดินเข้าไปถึงตัวนายฐานคนนั้นซึ่งกำลังถือปืนเดินตามผู้ปกครองพนักงานขับรถนั้นก็เข้าไปแตะมือเบาๆแล้วก็บอกว่าท่านครับท่านมารับรูปไม่ใช่หรือครับ พอได้ยินแค่เนี่ยในทางกันแล้วนี่ซึ่งกําลังโกรธนะได้สติเลยได้สติขึ้นมาทีพอมีคนพูดถึงลูกขึ้นมาพอได้สติปุ้มนี่ความโกรธมันหายเลยตอนนั้นรู้ตัวแล้วว่ากําลังจะทําอะไรเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนเลยนะจากเดิมที่จะเดินไปยิงเขาให้ตายคาที่เนี่ยมันก็เขาก็เลยนะ หยุดแล้วก็หันกลับไปที่รถเอาปืนเก็บแล้วก็เดินไปรับลูกนอกจากคนที่เกิดจะกลายเป็นฆาตกรไปแล้วนะก็รอดพ้นได้บุตรบิตใ์ไอตอนที่โกรธที่ไม่รู้ตัวนะความโกรธนี่มันสั่งให้ให้ไปไปยิงเขานะตอนนั้นมันไม่ได้คิดเลยนะว่าจะเกิดผลอะไรตามมาแต่พอมีคนมาเตือนมีคนมาทัก ได้สติแล้วนะโอ้นี่ถ้าเราถ้าเราไปยิงเขาในลูกเราเดือดร้อนเลยทั่นเนี่ยจะมารับลูกนี่จะจะกลายเป็นจะมาฆ่าคนไปแล้วนอะไรสั่งนะอะไรบงการนะความโกรธนะความโกรธมันทําให้ลืมตัวและนี่ก็เป็นอหน้าที่ของกิเลสอย่างหนึ่งนะกิเลสสมาเนี่ยมันมันจะทําให้เราเนี่ยหวงในหวงแหายในหน้าตา ใครมาทวงใครมาติ้งไม่ได้จะรู้สึกโกรธต่รู้สึกไม่พอใจขึ้นมากิเลสนี่มันสั่งให้เราบังคับไปเราทํ า, ทาร้ายไครก็ได้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาทําให้เสียหน้านะเข้ามาทําให้ดูเหมือนหมิ่นหรือว่าหยามเยียดจริงแค่เตือนเท่านั้นเองหรือแค่ต่อว่ามันไม่ถึงกับการทําให้ เสียหน้าเสียตาอะไรมากหรือไม่ได้เป็นการบินศักดิ์ศรีอะไรนะแต่ว่ากิเลสมามันจะบอกโอ้เนี่ยเอาถูกยามเหยียดนะถูกหมิ่นประมาทนะยันต้องจัดการมันนะกิเลมันสั่งแล้วทําให้ลืมตัวพอลืมตัวความโกรธก็เข้ามาครอบงำพอความโกรธเข้าเงาแล้วมันจะทําอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ให้ความลืมตัวและความหลงตนก็สําคัญนะ น่ากลัวมากเอ้ทำนี้เพราะความลืมตัวได้เราหลงหลงตนด้วยนะฉันเป็นนายทหารมาพูดงี้กับฉันได้ยังไงไอ้ความหลงตนก็เกิดขึ้นได้นะกับคนทุกประเภทนะกับคนทุกคนบางทีก็หลงตัวว่าเนี่ยบางทีก็โกรธลูกนะโกรธลูกวเนี่ยฉันเป็นพ่อมาพูดกับฉันได้ยังไงบางทีก็หลงตัวโกรธภรรยานะมีเพื่อนคนนึงเนี่ยเป็น เป็นขาราชการระดับสูงในกระทรวงกระทรวงหนึ่งนะตัวเองก็เป็นหมอด้วยนะแล้วก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายทั่วประเทศนะใครๆก็ยกย่องชื่นชมว่าเป็นวิทยากรที่มีความสามารถพนะูดจาได้แจ่มแจ้งแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่อง เสื้อผ้าหน้าผมเท่าไหร่นะโดยเพราะผมเนี่ยก็ไม่ค่อยหวีทุกเชา้านี่บางทีไปทำงานโดยที่ไม่ได้หวีผมเลยแต่ผมแกก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะแต่ภระระยาะเนี่ยนะก็เป็นคนที่ใส่ใจสามีก็มักจะเตือนสามีให้ให้หวีผมนะอย่างนี้เป็นประจำนะมีวันหนึ่งนะสามีก็จะรีบไปทำงานรีบจะไปบรรยาย ก็ลืหวีผมภรรยาก็ทวงเนี่ยว่าหวีผมสิหวีผมสักหน่อยบอกว่าจะโกรธนะตัวสามีนี่โกรธเลยนะลึกขึ้นมาในใจนะเรงในใจนะไม่ได้พูดนะมึงเป็นใครนะกูเป็นวิทยากรระดับชาติชนนะมึงเป็นใครนะไอ้ดีนะที่แค่คิดนะไม่ได้พูดออกไปเพราะถ้าพูดไปนี่เป็นเรื่องน่นะนะเพราะว่า ภรรยาก็เตือนด้วยความหวังดีแต่อั น, นิมนก็เห็นเลนนะว่าไอ้ความหลงตัวเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างนะคือไปติดยึดกับความเป็นวิทยากรระดับชาตินะท่านังที่สำหรับภรรยาแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือสามีนะนสามีภรรยาก็เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ความหลงตัวทำให้โกรธ ให้ความหลงตัวนี่ก็เป็นก็เป็นสีมือของกิเลสนะอีกแบบหนึ่งนะกิเลสมันทําให้หลงตัวกูแน่กูเก่งเพียงแค่ภรรยานี่ทวงเรื่องอวีผมนี่ก็โกรธขึ้นมาทันทีแทนที่จะคิดเออเราเป็นสามีนะนี่ก็เป็นภรรยากับคิดว่ากูเป็นพิเทียวก่อนระดับชาติมึงเป็นใครแต่ดีที่แกมีสติทันนะแกมีสติทัน แล้วก็สามารถที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าด้วยความขำขันได้นะว่าโ อ, โอ้กแหลนี่มันน่าดูนะไอ้ความหลงตัวนี่มันก็ อ, อันตรายมากนะเพราะกับภรรยานี่ก็ยังหลงตัวอย่างนี้ได้นะแล้วก็หลายคู่หลายคู่ก็เกิดเรื่องเกิดราว ก, ก็เพราะความหลงตัวแบบนี้แหละอาจจะไม่ใช่แค่ทะเลาะ ก, กันที่แรกก็ทะเลาะ ก, กันนะแต่ทะเลาะไปทะเลาะม า, ากลายเป็นการวิวาเพราะวิวาก็ลงไม้ลงมือแล้ว ถึงขั้นเลือดตกยางออกก็มนะีให้เราต้องระวังนะให้ความหลงตัวเนี่ยและรวมทั้งความลืมตัวด้วยหลงตัวลืมตนนยมันไปคู่กันเลยเราต้องมีต้องต้องมันนะเอาสติมามารับมือนะกับความหลงตัวลืมตนให้ได้ ธรรมชาตินี้เขาสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยไม่ตกอยู่ในาหน้าของความหลงตัวลืมตนโดยเพราะเวลามันมีเกิดอารมณ์ขึ้นมานยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยลืมตัวได้ง่ายเพราะอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ชนิดใดก็ตามไม่ใช่เฉพาะความโกรธนะความเศร้าความเสียใจความน้อยเนื้อต่าใจความรู้สึกผิดไอ้พวกนี้นี่มาสามารถที่จะบงการหรือสั่งการให้คนเราเนี่ย ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเองได้มันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนนิสัยคนได้อย่าไปมองอย่าไปเฝ้าดูแต่เล่านะว่ามันมันเป็นมันเป็นสิ่งเปลี่ยนนิสัยคนไอ้ที่ไกลตัวกันนั้นเนี่ยถึงแม้บางคนไม่เคยแตะเล่าเลยเนยแต่ว่าก็เสียพูดเสียคนไปได้เพราะอารมณ์ดังการมีสติสำคัญ อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราจะรอให้คนอื่นมาเตือนสติเรานะมันไม่ทํามันไม่ทันการอย่างสมมุติว่านายฐานคนนั้นเนี่ยนี่ยจะไปจะไปยิงคนอยู่แล้วนะบางเออไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยก็คงเป็นฆาตรกรไปแล้วนะแต่บางเออโชคดีมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วเป็นพลเมืองดีแต่จะมีเหตุกี่ครั้งหนะ้าที่โชคดีแบบนั้นเราก็ต้องรู้จักพึ่งตนเองนะ ต้องอาศัยสติเนี่ยคอยมาช่วยช่วยเตือนตัวเองไม่ให้ลืมตนนะแล้วเราคงจะรู้นะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยก็รู้นะว่ามันลืมตัวบ่อยมากนะแต่ก็ยังดีที่มาลืมตัวไปในเรื่องที่เรื่องเล็กๆหรือว่าเพียงแค่เพียงแค่คิดนะแต่ว่าไม่มีการกระทำแต่ว่าบ่อยครั้งนะ มันก็เพ้อกระทำเหมือนกันนะโดยการพูดออกไปด้วยการกระทำออกไปอย่างไม่มีสตนะิก็ทำให้เกิดผิดใจกันทำให้เกิดการทะเลาะบาดหมางกันหรือว่าทำให้ตัวเองทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับนะเวลาเวลานอนไม่หลับเนี่ยเราก็คงสังเกตว่มันเป็นเพราะความรื่อมตัวจมอยู่ในอารมณ์อารมณ์ก็ปรุงแต่งความคิด คิดไปร้อยแปดพันประการจนนอนไม่หลับในการเจริญสติเนี่ยนะมันประโยชน์นี่มันมีมากมายนะแต่ว่าขั้นเบื้องต้นเลยนะคือก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ลืมตัวที่จะทําอะไรที่เป็นอันตรายหรือว่าก่กอความเสียหายกับตัวเองแล้วกับคนที่เรารักรวมทั้งไม่ทําให้ความทุกข์เข้ามาครอบงําใจเพราะว่า ถูกอารมณ์ต่างๆมาบงการควบครอบงำในการสร้างความรู้สึกตัวยังสําคัญมากนะแต่รู้สึกตัวได้ก็ต้องมีสตินะสติมันทําให้ใจนี่ไม่ลงไปในอารมณ์ทําให้ใจนี่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อกลัาอยู่กับเนื้อกับตัวกเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อคุมีความรู้สึกตัวขึ้นมาก็ปลอดภัยนะกิเลสสมานจะมาครอบงําอารมณ์ต่างๆจะมาครอบงำบ่งการก็ทําได้ยาก เอาละชาตินี่ย